เชื่อมกรรมให้ติดกงกับดุมเนี่ยนะแล้วก็มีเพลาเพลาที่สอดเข้าไปในดุมอีกครั้งนึงคำว่าดุมนั้นเป็นชื่อของ อ, อวิชาเป็นดุมเนี่ยนะมีสังขารสังขารปุญญาพิสังขารอาปุญญาพิสังขารเป็นซี่กรมเป็นซี่กรรม มีชราและมรณะเป็นกงเพราะเป็นที่ซีกรรมคือบุญนะต่อให้เรามาเป็นมนุษย์อย่างนี้แต่ผลพวงของของบุญเนี่ยคืออะไรความแก่ใช่ไหมใครแก่ละ่ะก็ผลของบุญนั่นแหละมันแก่แล้วในงานเพราะฉะนั้นชราและมรณะก็คือกงที่สุดรอบแผงบุญที่สุดรอบแผงบาป นะที่สุดรอบแ่งบุญที่สุดรอบแ่งบาปก็คือความแก่และความตายชราและมรณะนั่นแหละที่สุดรอบของบุญบาปเพราะฉะนั้นคนที่สะสมบุญบาปที่เป็นสายวัตตะเนี่ยก็คือสังสมชราและมรณะเนี่ยนะทำบุญแล้วปรารถนาพบเนี่ยนะก็คือเท่ากับทำบุญแล้วปรารถนาความแก่และความตายที่ใดเกิดสังสารจักรอันนี้เนี่ยนะ ที่ใดเกิดแล้วไม่ตายไม่มีรอกเพราะฉะนั้นที่ใดที่มีการเกิดที่นั่นจะต้องมีที่ตายอยู่เสมอไปเนี่ยนะที่ใดมีการจุติที่นั่นก็ต้องมีที่ที่ใดมีปฏิสนธิที่นั่นจะต้องมีจุติอย่างแน่นอนแต่ที่ใดมีจุติไม่แน่ว่าจะมีปฏิสนธิต่อหรือไม่ถ้าเป็นผะอรหันทั้งหลายจะไม่มีปฏิสนธิต่อไปเนี่ยนะ ชาติใหม่ไม่มีแล้วนีสิ้นพบสิ้นชาติแล้วเป็นพระอริยะเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นพระองค์เนี่ยหักสี่กรรมคือบุญบาปได้หมดแล้วถามว่าสี่กรรมแห่งสังสารวัตจักรอันนี้เนี่ยนะซึ่งมีอาสวะสมุทัยเป็นเหมือนกับเพลามีอวิชาเป็นดุมมีสังขารเป็น สี่กัมมีชราและมรณะเป็นกงประกอบไว้ในรถรถในที่นี้คือภพสามการมาภบรูปประพบและอรูปประพเนี่ยรถคือภพสามเนี่ยนะเรียกว่ารถที่แล่นไปลักษณะนี้นะที่จริงองค์ประกอบของรถเนี่ยเรียกว่าขันธาตุอายตนะหมุนไปในการมาภรูปประพบอรูปประพบสลับเคล้าหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรียกว่าสังสาระสังสาระ แต่กล่าวโดยสรุปก็คือกรรมวิบากและกิเลสเท่านั้นเองนะกิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมกรรมเป็นเหตุให้ได้รับวิบากวิบากเมื่อเกิดขึ้นก็ทำกรรมใหม่ก็หมุนเวียนเปลี่ยนกันไปไม่มีจบไม่มีสิน้นเหมือนกับวัวที่ทำหีบยนวัวที่ในหีบยนก็คือวัวที่ไปไปเดินรอบที่หีบอ้อยนะเคยเห็นไหม เขาบดอ้อยแล้วเขาเอาวัวเนี่ยไปไปเป็นเครื่องลากอะ่ะแล้วก็เฟืองอันนี้ก็จะหีบอ้อยโรงหีบอ้อยนี่นะวัวเนี่ยเดินร้อมอยู่นั่นแหละเดินอยู่ยังไงก็ไม่มีไม่มีจบไม่มีสิน้นพออุปมาเหมือนกับไปตาบอดคนหนึ่งอนะตาบอดคนหนึ่งอริเป็นลักควาย <c oughs> ตาบอดนี่เป็นลักควายเนี่ยก็เอาควายเนี่ยจูงออกจากอคอกแล้วก็ ควายออกจากคอกกะตะเบิงใหญ่เลยนะไล่ควายใหญ่เลยทีนี้ควายมันก็พาเดินอ้อมบ้านนั่นแหลกะก็เดินอ้อมทีนี้ตาบอดคนนี้ก็ไล่อยู่ทั้งคืนควายนี่ก็เดินรอบบ้านอยู่ทั้งคืนก็บอกโอ้โหสว่างมากก็นึกว่าไปสักไกลเลยจะของมาเตือนมาจับได้เลยผันสัตว์ทั้งหลายที่ทํากรรมอยู่ก็วนอยู่นั่นแหละรอบอยู่นั่นแหละมีอะไรนะชีวิตของเราจริงๆก็ซ้ํำซากนั่นแหละเออวันนี้ฟังทำรีบจบกันแล้วกัน จไปทาอะไรอ้าวพรุ่งนี้เย็นๆจะได้มาใหม่ก็เดินกลับไปกลับมาอยู่เนี่ยนะดูเหมือนฉลาดนะเหมือนอะของเหมือนไม่มีไม่ใช่ของจริงเนาะอะไรเพราะนันนะออวิชาก็เป็นเหตุแห่งทำกรรมกรรมก็เป็นเหตุแห่งวิบากพอวิบากได้รับก็ทำกรรมใหม่อีกแล้ว ก็บนอยู่อย่างนี้แหละไม่มีจบไม่มีสิน้นพระพุทธเจ้าจึงแสดงว่าสัตว์ทางหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกางกัน้นมีตันหาเป็นเครื่องประกอบเป็นเครื่องร้อยรัดเนี่ยนะน้ำตาของเธอทีุ่ที่ทหลั่งไหลออกมาเพราะการพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รัก เช่นพ่อตายแม่ตายญาติตายเสียใจเพราะทรัพย์สมบัติหมดไปน้ำตาที่หลั่งไหลออกมาเนี่ยมากกว่าน้ำในมหาสมุติอีกเพราะมันยาวนานน่ไม่มีเบื้องต้นไม่มีที่สุดแม้แต่พุทธยานก็ไม่กำหนดว่าแรกเร็วความแก่จะมีไหมความยาวนานเลือเกินว่างั้น มันซี่กรรมแห่งสังสารจักรที่ไหลไปในสังสารวัต ส, สังสารทุกข์ที่ยาวนานเหล่านี้พระองค์หักหมดสิ้นแล้วเนี่ยนะเพราะนั้นะพระองค์จึงชื่อว่าอารหัน์เพราะทําลายซี่กรรมแห่งสังสารจักรถ้าหากว่าชาวนาหรือเ จ, เจตนาที่เป็นบุญเป็นบาปของพระพุทธเจ้าไม่มีเจตนาที่เป็นอนเนนชาพ่สังขารไม่มี คำว่าอภิสังขารก็คือปรุงแต่งวิบากและกรรมชรูปเนี่ยนะเจตนาที่เป็นเหตุให้ปรุงแต่งวิบากและกรรมชรูปไม่มีปฏิสนธิจักมีแต่ที่ไหนเมื่อไม่เกิดสัอย่างเดียวความแก่จะมีไหมความตายก็ไม่มีเมื่อแก่ไม่มีตายก็ไม่มีเมื่อตายไม่มีโซกะความเศร้าโศกเปรตเทวะความคร่าครวนทุกความไม่สบายกายความ ลำบากทางกายความเจ็บปวดทางกายโทมนัสความเศร้าโศกความเสียใจอุปายาตความคับแค้นใจการประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักการพลาดพลาดจากของอันเป็นที่รักก็ไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเจตนาไม่เป็นกรรมซะอย่างเดียวความทุกวัตถุทุกทั้งหลายก็ จบสิ้นสักทีขันพระองค์เป็นผ้าอรหันต์ก็ทําลายเจตนาที่เป็นกรรมเหล่านี้ทั้งหมดเลยกรรมดำําพระองค์ทรงแสดงว่าให้วิบากดํากรรมดําก็คืออกุศลกรรมให้ผลเป็นความทุกข์กรรมเขาวคือกุศลกรรมให้วิบากเป็นขาวคือให้วิบากเป็นความสุขถ้าหากว่าทําคละคเคล้ากันไป ทำทั้งกรรมดีทำทั้งกรรมชั่วทำทั้งบุญทำทั้งบาปผสมคละเคล้ากันไปก็จะให้ผลทั้งสุขและทุกข์เหมือนมนุษย์เราเนี่ยนะมนุษย์เนี่ยได้รับวิบากทั้งสุขและทุกข์ใช่ไหมกลางวันทำงานอาบเหงือ่อตางน้ำกลางคืนพักผ่อนนอนสบายเตือนเช้ามาก็เลยต่อไปเนี่ยนะเดี๋ยวก็สุขบ้างเดี๋ยวก็ทุกข์บ้างเนี่ยนะหิวบ้างอิ่มบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างสลับคละเคล้ากันไป อันนี้เขาเรียกว่าเป็นผลทั้งกรรมดีและกรรมชั่วที่มาสลับให้วิบากคละเคล้ากันไปเพราะเหตุทำทั้งบุญและบาปคละเคล้ากันไปบุญก็ให้ผลบาปก็ให้ผลคละเคล้ากันไปเหมือนกับ ก, กินผลไม้บางอย่างใช่ไหยกินไปไอเปรี้ยวกับหวานนี่มันก็อยู่ใกล้กันนะเปรี้ยวเกินไปหวานก็อยู่ตรงนั้นแหละบางทีมันก็ขมก็อยู่ตรงนั้นแหละอร่อยด้วยแต่ว่าร้อนด้วยใช่เธอฐานอาหารอร่อยร่อย โอ้อร่อยมากแบบเปรี้ยวจังเนี่ยอร่อยมากกับเผ็ดมากอย่างเงี้ยนะก็สลับคละเคล้าทั้งสุกทั้งทุกข์สลับสลับอยู่ใกล้ๆกันนั่นแหละเพราะทําเหตุทั้งดีทั้งชั่วคละคล้ากันไปเคยเห็นไหมโกรธด้วยตักบาดด้วยคล้ายๆแบบนั้นแหละทีนี้กรรมอย่างนี้เขาเรียกว่ากรรมทั้งดําทั้งเขาวันเวลาให้ผลก็ให้ผลทั้งดําทั้งเขาแต่ก็มีกรรมอีกชนิดหนึ่งเป็นกรรมไม่ดําไม่ขาว เป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมกรรมที่ไม่ดำไม่ขาวที่เป็นไปเพื่อความสิ้นกรร ja มนั้นก็คืออริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8โพธชงประกอบไปด้วยองค์7อริยมรรคประกอบไปด้วยองค์8ดโพชชงที่ประกอบไปด้วยองค์เจ็ดเนี่ยนะเกิดขึ้นแล้วทําลายกรรมเกิดขึ้นแล้วเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมทั้งหมดนั้นถ้าเป็นพระ้าหันแทจเริญโพชชงจนเปี่ยมบริบูรณ์ เนี่ยนะเจริญอริยมรรคเปี่ยมบริบูรณ์อรหัตมรรคเกิดขึ้นวัตทุกจึงไม่มีแล้วตัดกรรมที่เป็นบุญนะตัดกรรมที่เป็นบาปลอยกรรมที่เป็นบุญเพราะฉะนั้นพระอรหันต์นี้เป็นผู้ที่ลอยบุญละบาปหมดเกลี้ยงแล้วเขบอกว่ามันมีน้ำใสกับ น, น้ำน้ำน้ำดำอ่ะนะน้ำดำกับน้ำใสอ ย, อยู่ในคลองเดียวกันเคยเห็นไหม น้ำใสกับน้ำโคลอนอยู่ในคลองเดียวกันถ้าหากว่าขึ้นบกแล้วเนี่ยนะจะมีน้ำใสและโคลนตมแปดเปื้อนไหมไม่แปดเปื้อนนะคนที่อยู่ในน้ำเท่านั้นแหละเจึงจะคลุกเคล้ากับน้ำใสและน้ำขมแต่ผู้ที่ขึ้นบกไปแล้วไม่เกี่ยวกับน้ำใสและน้ำขม ผูุ้ชนคนมีกิเลสทั้งหลายเวลาอยู่ในห่วงน้ำเนี่ยนะบางครั้งก็ใสบางครั้งก็อยู่ในห่วงน้ําใสใจก็เป็นไปกับปุสนบางครั้งก็อยู่ในห่วงน้ําครัมเนี่ยนะน้ำเนี่ยสีดําแปดเปื้อนแต่เมื่อใดที่ชําระตัวให้บริสุทธิ์ขึ้นบนบกขณะนั้นเขาไม่ต้องเกี่ยวข้องกับน้ําดําแล้วจะต้องเอาน้ําใสมาล้างทําไมเพราะเป็นผ้าละหันแล้ว แต่ว่าก่อนที่จะเป็นเป็นผ้าอรหันเนี่ยถ้าล้างไม่สะอาดนี่ขึ้นไม่ได้แน่เพราะฉะนั้นจะต้องมีน้ำใสามาชำระกายให้เขาสะอาดได้จริงๆ จ, ง จ, งจึงจะล้างได้ทีนี้คำว่าน้ำน้ำที่ขาวที่ใสสะอาดอย่างนี้ก็คือผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองเอนะวันนี้ก็คงจะใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้นะขอข อ, อนุมโมทนากับญาติโยมทั้งหลาย ท้ายที่สุดนี้ก็ขอให้ท่านทั้งหลายสามารถเจริญพุทธคุณโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นเกาะมีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งผู้ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นเกาะรับรองว่าบุญเหล่านั้นจะตามรักษาเขาเหมือนกับแม่ที่ตามเฝ้าทนุธนอมบุตรฉะนั้นแหล ะ, ะก็ข อ, อนุมโมทนาะคำว่าพุทธแปลว่า โตรัสรูอริยสัจโดยถูกต้องและด้วยพระองค์เองอนุสตินี่แปลว่าอะไรแปลว่าตามระลึกตามนึกถึงคุณของพระองค์เนี่ยนะเพราะงั้นการที่เราทั้งหลายจะตามระลึกนึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นั้นเราจะต้องเข้าใจในคุณของพระองค์เราจึงจะตามระลึกนึกถูก มันก็ในเอกสารที่ทำนั้นก็กล่าวถึงคุณของพระผู้มีพระภาคโดยย่อ <c oughs> พระคุณของพระผู้มีพระภาคโดยย่อแล้วนะย่อที่สุดและมีกี่อย่างนะสามอย่างนะหนึ่งพระมหากรุณาธิคุณสองพระปัญญาธิคุณสามพระบริสุทธิ์ธิคุณเนี่ยนะพระคุณของพระองค์โดยย่อสามอย่าง ถ้าขยายพิสดารไปกว่านั้นอีกก็มี9าอย่างนะอรหังหนึ่งสัมมาสัมพุทธโธหนึ่งอย่างเงี้ยสวิชาจรณะสัมปันโนสีตาโกวิทูหอนุตโรปุริสธรรมสารติเจ็สาธาเทวานุสานัง8พุทธโธ9ก้าพระขาวอันนี้คุณพิสดารขึ้นอีกหน่อยเรียกว่าพุทธคุณ9หรือถ้าหากว่าเอาพิสดารไปเลยก็ไม่มีใครที่จะ สามารถภาลนาคุณของพระองค์ได้จบสิ้นนอกจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันทีนี้เราก็มาศึกษาคุณของพระพุทธเจ้าพุทธคุณเก้าแต่ละบทตามลำดับเนี่ยนะตั้งแต่บทที่หนึ่งเลยอรหังเฉพออาะอรหังซึ่งแปลว่าพระอรหันเนี่ยนะคำว่าพระอรหันตรงนี้มีส1อดความหมายตามนัยะอัตถกาถาห้าความหมาย ตามนยะแห่งดีกาเพิ่มเติมอีกหความหมายในพระคุณแต่ละข้อนั้นอย่างพระคุณข้อที่หนึ่งที่ว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ไกลจากกิเลสพร้อมทั้งวาสนาเนี่ยนะเราก็ฝึกเปรียบเทียบดูคนมีกิเลสซิเป็นอย่างไรใช่ไหมคนมีกิเลสประกอบไปด้วยโลภะโทสะโมหะ นะและกว็วาสนาคือความเคยชินที่ประกอบมาด้วยความไม่ดีต่างๆพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยเนี่ยนะสัตว์ทั้งหลายมีโทสะพระองค์ไม่มีโทสะสัตว์ทั้งหลายมีโมหะพระองค์ไม่มีโมหะสัตว์ทั้งหลายมีทิฏฐิวิจิกิจชาศีละพัตะปราบบาปอากุศลโดยประการต่างๆพระองค์ไม่ได้เป็นลักษณะเช่นนั้นเลยเนี่ยนะเพราะพระองค์เนี่ยไกลจากกิเลสเหล่านั้น โดยสิ้นเชิงห่างไกลไกลจริงๆเมื่อเทียบกับคนใกล้กับต่อกิเลสเนี่ยนะคนที่เปียกชุ่มอยู่กับกิเลสกับผู้ที่ห่างไกลจากกิเลสนั้นมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมากความหมายของคำว่าอารหังในที่สองก็คือทาลายฆ่าศึกคือกิเลสเนี่ยนะฆ่าศึกภายในศัตรูภายในเพชฌฆาตภายในอัมมิตรภายในเนี่ยนะ ก็บอกว่าศัตรูที่น่ากลัวที่สุดก็คือศัตรูที่อยู่ใกล้ๆตัวเรานั่นแหละที่เรียกว่านาอะเกลือเป็นนอนอ่ะนะหมายอุตสาห์เนี่เกลือนี่ไม่ไม่ทำให้ปลานี่เสียใช่ไหมแต่เกลือเป็นหนอนซะเองนเนี่เสียหายมากอันข่าศึกศัตรูที่น่ากลัวที่สุดก็คือค่าศึกศัตรูที่มีอยู่ในใจของเรานั่นแหละอันนะใจนี้ปกติเขาไม่มีโทษหรอกแต่ที่เขามีโทษเพราะ ความโลภที่ครอบงําจิตของเขาเพราะโทสะเพราะโมหะเนี่ยนะเพราะอาวิชชาเข้าไปครอบงํารัดเริงจิตทําให้จิตนั้นอะเสียหายปนตี้เลยท่านคนที่อกุศลคือกิเลสครอบงําย่ํายีจิตคําพูดที่พูดออกมาก็เป็นคําพูดที่น่ารังเกียจเนี่ยนะแม้แต่คนพูดเองเนี่ยนะถ้าใครพูดด้วยจิตแบบนี้กับตัวเอาไหมเนี่ยนะสมมุติถ้าเราเคยพูดกับใครด้วยอํานาจแห่งโทสะเนี่ยนะ ถ้าคําคํานั้นเนี่ยเขาย้อนคืนมาหาเราเรารับได้ไหมเนี่ยนะอันคําพูดที่เกิดจากบาปเกิดจากอากุศลนั้นสร้างความเสียหายให้แก่คนพูดโดยทายเดียวพระพุทธเจ้านี้ทำลายฆ่าศึกภายในฆ่าศัตรูภายในนะการฆ่าที่ไม่เป็นบาปก็คือฆ่าโลภะฆ่าโทสะฆ่าโมหะในภายในฆ่ากิเลสในใจได้บุญโดยส่วนเดียว ผู้ที่ตั้งความปรารถนาให้ ก, กรรมอ น, นั้นคือตั้งความปรารถนาเพื่อทำลายข้าศึกคือกิเลสคนที่ทำลายกิเลสโดยสิ้นเชิงได้นั้นก็คือพระอระหันต์แต่พระองค์นี้ไม่ใช่อรหันธธรรมดาใช่ไหมเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นอรหันตที่ตรัสรู้โดยชอบโดยถูกต้องและด้วยพระองค์เอกทีนี้คาว่าอารหังในยะที่3มคือพระองค์ทำลายซีกรรมแห่งสังสารจักร สังสาระจักรซึ่งนีล้อเนี่ยนะล้อคือกองรอบนอกเนี่ยคำว่าจักก็คือล้อนั่นเองกองรอบนอกของล้อคือชราและมรณะมีสี่กรรมเชื่อมไปหาดุมสี่กรรมอันนั้นคือสังขารสังขารทั้งที่เป็นปุญญาพิสังขารนปุญญาพิสังขารอเนนชาพิสังขา ร, น, าขารนี่แหละมีอวิชาเป็นเหมือนดุม มีเพลาที่สอดเข้าไปในดมอีกครั้งเขาเรียกว่าอาสวะสมุทัยประกอบเข้าไปในรถคือพบสามเนี่ยนะก็เล่นไปในสังสารทุกข์หรือสังสารวัฏหาเบื้องต้นที่ไม่ได้เบื้องต้นที่คนเนี่ยตามรู้ไม่ได้แม้แต่พุทธญาณก็ไม่กําหนดว่ายาวนานมาขนาดไหนที่ดูนะเจออารมณ์ที่ไม่น่าพอใจโกรธทันทีโดยที่ไม่ต้องมีคน เสียมสอน่อนเพราะว่าสะสมมาแรงขนาดนั้นลืมตามองเห็นสีแต่ไม่เคยยั่งถึงอริยสัตวรทันดีเลยนะวิชามันท่วมทับปกปิดห่อหุ้มหมดจนไม่สามารถที่จะแทงตลอดสัจจะทำความจริงได้อย่างบริบูทพระองค์นั้นทรงยืนหยัดอยู่บนปาตะพีคือแผ่นดินด้วยพระยุคลบาททั้งคู่ที่แข็งแกร่งใช้พระหัต จับขวานที่รับดีแล้วบนหินฟาดฟันเข้าไปในสังสารจักรอันนั้นทำลายโดยสิ้นเชิงเขาว่างั้นพอองค์ยืนยันยืนหยัดอยู่บนปัตถพีคำว่าปัตถพีแผ่นดินนั้นเป็นชื่อของศีลเพราะว่าศีลเป็นที่รองรับกุโสรธรรมเป็นที่รองรับคุณงามความดีทั้งหมด ก็บอกว่าสัตว์จะตับททวีบาตสัตว์สเท้าสัตว์4เท้าจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนอย่างผาสุก็อยู่บนแผ่นดินการงานอย่างใดอย่างหนึ่งที่บุคคลที่จะต้องทําด้วยกํำลังการงานเหล่านั้นก็อาศัยแผ่นดินชั้นใดก็ดีพี่โสทั้งหลายที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินคือศีนก็สามารถที่จะเจริญโพธิปักพิยธรรมสามารถที่จะตรัสรูม้มรรคผลนิพพานได้ เพราะฉะนั้นสีนี่มีความสำคัญเหมือนกับแผ่นดินนะแผ่นดินนี่มั่นคงไม่วันไหวนะถ้าเทียบกับอยู่บนเรือถ้าเรือเล็กๆ ก, กับโครงเคลงโครงเคลงเรือถ้าอยู่บนเปลือกต้มเป็นตอนเนี่ยนะคำว่ายือนอยู่บนพระบาทเนี่ยน ะ, ะยืนจยัดด้วยพระบาททั้งสองข้างก็คือเทา้ทาเท้าทั้งคู่นั้นเป็นชื่อของความเพียรพยายามเนี่ยนะวิริยะความเพียรความพยายามความบากบัน แล้วใช้พระหัสมือก็เป็นชื่อของศรัท ธ, ธามีศรัท ธ, ธาจับขวานขวานในที่นี้คือพระปัญญาที่รับดีแล้วบนหินหินในที่นี้เป็นชื่อของสมาธิแล้วก็ฟาดฟันเข้าไปในสังสารจักรเหล่านี้มันพระองค์ก็เลยหักซี่กรรมแห่งสังสารจักรเหล่านี้อรหัตตะมักเกิดขึ้นทําลายกีอกว่าที่กรรมแห่งสังสารวักร เพราะฉะนั้นสังสารทุกข์ไม่มีสําหรับพระองค์ต่อไปเพราะพระองค์ทําลายโดยสิ้นเชื้อแล้วเนี่ยนะก็เหมือนกับคนมีไข้รับประทานยาเข้าไปก็ถอนพิษไข้ได้หมดแล้วถึงความไม่มีโรคถึงความปลอดภัยถึงความสวัสดีฉันได้พระองค์อาศัยอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ก็ทําลายบาปประธรรมที่มีอยู่ในใจทั้งหมด บาปประรมเหล่านี้นี่แหละที่มีความสำคัญมากต่อความเป็นไปในสังสารวัติต่อความเป็นไปในสังสารทุกข์ถ้าหากว่าแสดงตามวิสุทธิมัตท่านบอกว่าอาวิชชาเนี่ยนะหรือปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละเรียกว่าสังสารวัตหรือสังสารจักรที่บุคคลตามรู้ไม่ได้ อันสังสารวัตรหรือปฏิจจสมุปาที่สืบเนื่องกันไปอวิชชาในการมาพบเป็นปัจจัยแก่สังขารในการมาพบสังขารในการมาพบเป็นปัจจัยแก่ปฏิสนธิวิญญาณในการมาพบปฏิสนธิวิญญาณในการมพบเป็นปัจจัยแก่นามรูปในการมะพบนามรูปในการมาพบเป็นปัจจัยแก่อายตนะทั้ง6ในกามาพบอายตนะทั้ง6เป็นปัจจัยแก่ผัสสะทั้ง6ในการมพบ ภาษาทั้ง6ก็เป็นปัจจัยแก่เวทนาทั้ง6เวทนาทั้ง6ก็เป็นปัจจัยแก่ตัณหาทั้ง6ตัณหาทั้ง6ก็เป็นปัจจัยแก่อุปาทานทั้ง4อุปาทานทั้ง4ก็ทํากรรมใหม่เหมือนกับงูกินหางกันเลยแล่นไปในสังสารทุกข์หาที่สุดไม่ได้ในภพอื่นๆก็